ครับน้องนิดเข้ามาแล้วครับหลวงพ่อนี่ครับชื่อนิสานี่ครับก็เดี๋ยวผมให้เขาพูดถึงว่าเขาไปติดอะไรมาอยังไงเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับหลวงพ่อโอ้เจนเลยอ่ะพูดก่อนครับน้องนิดพูดได้เลยครับว่ามีประสบการณ์อะไรยังไงแล้วก็ติดขัดตรงไหนได้หลวงพ่อได้เมตตาช่วยตรงนี้ครับเรียนเชิญครับก็ก่อนอืหนูก็ขออภัยถ้าเกิดพูดอะไรผิดเพราะว่าหน้งก็ไม่ค่อยคล่องภาษาเท่าไหร่อะค่ะ แต่ก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิมคือก็เบสิกก็คือดูเป็นคนที่ถนัดดูจิตนะคะมาหลายปีแล้วก็ติดเหมือนที่หลายๆคนที่ติดก็คือผู้รู้เด่นชัดเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับพี่จอมเมื่อวานนี้แล้วหนูเนี่ยมาเจอข่าวตรงนี้เพราะว่าหนูถาม ถามที่ Youtube ของหลวงพ่องค่ะแล้วหลวงพ่อก็ตอบคือถามว่าแบบจะติดต่อมีเส้นทางไหนที่จะติดต่อหลวงพ่อได้เพราะว่ามันเข้ากับที่เราเ อ, อเข้าใจเงค่ะก็หลวงพ่อก็เขียนว่าค่ะพาก็ตั้งแต่นั้นหนูก็มามาฟังอะไรเงี้ยค่ ะ, ะก็ก็ติดตรงตัวรู้ก็รู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งคือหนูก็ฟังของตาละลงศักดิ์ด้วยอะค่ะ ก็เข้าใจคำว่าอีบ้าไอบ้าอะไรนี้อยู่แต่หนูจะรู้เรื่องจิตในมุมอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมที่ว่าที่หลวงพ่ออธิบายตลอดอะว่าให้รู้ตัวเราเอ้ยไม่ใช่รู้เรากับเรารู้เนี่ยมันมันไม่เข้าใจตรงนั้นมันไม่เห็นตรงนั้นแต่จะเห็นว่าจิตอะมันเป็นตัวถูกเงี้ยค่ะจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยพี่เขาก็อธิบายตรงนี้ เราก็พยายามรับรู้แบบเหมือนว่าเปิดใจรับรู้ตรงนี้ด้วยและเมื่อคืนเนี้ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เล่าให้พี่จอมว่าเมื่อคืนนี้หนูอะกายหลับแต่จิตตื่นตลอดเลยเพราะว่าเรารู้เรื่องใหม่เข้ามามันตื่นเต้นเองหรืออะไรไม่รู้ของมันคือคือเราไปรู้รู้รู้แบบตื่นทั้งคืนน่ะมันไม่ได้หลับแต่กายหลับอยู่อ่ะค่ะแต่จิตอ่ะมันรู้อยู่อย่างเงี้ยทีนี้ จนตอนตอนเชา้าค่ะที่หนูตื่นอะ่ะหนูก็ปกติมันก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราอะอะไรก็รู้อะไรก็รู้อย่างเงี้ยตื่นปุ๊บจิตมันก็ทํางานของมันอยู่แล้วว่ารู้เอ่อทีนี้เราก็ทำเหมือนที่พี่เขาให้บอกว่าให้แบบใครรู้เราก็ถามอะคะ่ะถาบางตอนแรกๆเวลาถามมันไม่ทันเพราะว่าเรารู้เร็วไงคะแบบรู้อันนี้แล้วมันเลื่อนไปรู้อีกอนันเลยอะ่ะซึ่งเรามันไม่มี เวลาที่เราจะมาถามเราก็เลื่อนไปโอเครู้ตัวนี้ละแต่มันมีจุดสองสามครั้งที่เราหยุดถามได้อ่ะค่ะ อ, อไม่เข้าใจว่าเข้าใจตรงหนูพูดหรือเปล่ามันก็ถามเลยว่าเราใครรู้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตอบเรารู้ทีนี้มันมีจุดนึงที่เขาแบบเข้าใจตรงนั้นอะเห็นตรงนั้นว่าอ๋อ เรารู้แสดงว่ามีตัวหนึ่งเหมือนที่พี่เขาอธิบายอะ่ะแสดงว่ามีตัวหนึ่งที่มีตัวที่รู้เราอยู่แสดงว่าเราเป็นถูกรู้แสดงว่าจิตก็ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันมันแปลออกมาเป็นคณิตะค่ะของหนูนี่โปร i ซ e มันจะคือแบบเราเท่าจิตเพราะว่าตอนนี้คือหนูเนี่ยเอาจิตคือเป็นตัวเราอยู่อะค่ะมันมันมันมันรวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ ทีนี้พอเราเห็นตรงนี้ยมันแปลออกมาเป็นเราเท่ากับจิตถ้าเราเป็นตัวถูกรู้จิตก็เป็นตัวถูกรู้และตัวถูกรู้มันไม่ใช่เราแสดงว่าจิตก็ไม่ใช่เรามันแปลออกมาอย่างนี้ยค่ะเหมือนเป็นสมการเนี้ยค่ะอันนี้คือสฉาว่าตอนเช้านะคะหนู่ก็ว่าจะโผล่มาพี่เขาแต่ว่เกรงใจว่าเออเมื่อคืนก็โกนานแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไไม่ได้ไม่ได้เล่า แต่รู้สึกว่าหลังจากที่หนูเห็นไอสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหนูเห็นในจุดมุมนี้เนี่ยมันเหมือนว่าไอที่เราเคยรู้อยู่เป็นประจำเหมือนออโตเมติกแบบรู้รู้รู้มันรู้สึกมันหายไปไหนเองเนี้ยมันเหมือนว่าเฮ้ยตัวรู้มันทำไมไม่ทำงานเหมือนเดิมอะ่ะตอนนี้กำลังอยู่ในงงๆอยู่อะคะว่าอา้าวหรือว่าเราลงมันก็ไม่ใช่เพราะเรามีสติ คือตอนนี้ก็กลังค้นหาอยู่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยคือตัวรู้อ่ะไอไอรู้ตัวปอมอะมันมันเหมือนมันอยู่เบื้องหลังอยู่มันไม่ได้ทําเด่นเด่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนคือตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยมันจริงจริงมันต้องเด่นรู้ทุกคําบ่นคมันต้องรู้ทุกอย่างที่อยู่ในความคิดหนูอะค่ะครู้ทุกคิดเลยอะแต่วันเนี้ยหลังจากนี้มันเหมือนแบบ หายไปไหนเล่อนหนุ่พยายามหามันกลัวอะไรไม่รู้อ่ะหามันอยู่ว่าเฮ้ยทําไมไม่รู้ทำไมไม่รู้เราอยากจะรู้ให้ได้จนอยากจะรู้เหมือนเราก็อาจจะตั้งรู้อยู่ตอนนี้สักนิดหน่อยเหมือนเหมือนพยายามอยากรู้เพื่อที่เราจะมาเห็นว่าตัวที่เราเคยเห็นว่าเออเรารู้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันยังไม่รู้สทัทีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ที่ อตอนนี้มันอยู่ในภาวะสับสนอยู่ะ่ะอืมทีนี้หลวงพ่อถามโยมนะว่าโยอมมองออกไหมว่าตัวเราตอนเนี้ยเรานี่จะไปไปหาอะไรเราอยากรู้อะไรเออ ม, มองออกไหมว่ามีเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยเราอยากรู้เรื่องไอ้ที่มารู้เราหรือเราอยากรู้อะไรเออลองลองตอบหลวงพ่อชัดๆอีกทีหนึ่งว่าอยากรู้อะไร ตัวรู้ปร้องซึ่งมันเคยเด่นมาก่อนจนถึงมันก็ท่านเมื่อวานนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกต่างๆค่ะเออมันมันมีสติมันไม่ได้หลงรู้แค่เนี้ยแต่ว่าตัวรู้มันไม่เด่นมาให้เห็นว่าเวลาบ่นก็รู้อะไรอะไรก็รู้แต่ตอนนี้มันหรือว่ามันใหม่เกินไปที่จะพูดเพราะว่าหนูเพิ่งเคยเพิ่งเห็นว่า หนูเพิ่งเห็นตัวเราที่เป็นถูกรู้อ่ะค่ะเมื่อเช้าเนี่ยจุดนี้หนูยังไม่เคยเห็นเมืม่อเช้านี้หนูเห็นออืแต่ตก่อนเนีหนูเข้าใจแต่ยังไม่เห็นแต่วันนี้ตอนเช้าเห็นนะคะก็เลย อ, อลองลองดูแบบนี้นะสมมุติว่ามีมีเพื่อนของของโยมมันเนาะเขามีพฤติกรรมนะมีพฤติกรรมคือ เ ข, า ไ, า, า, นะเขาไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะเขาไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเขาเขาก็ ince, ม, มาปรึกษาโยมว่า อ, อว่าเขาปรึกษาโยมเหมือนกับโยมปรึกษาหลวงพ่อเลยนะเอออย่างเนี้ยอ่าทีนี้สงมติว่าเร า, ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างอย่างที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยนะในขั้นตอนเนี้ยเรารู้จักเพื่อนของเราไหมว่าคนเนี้ยเขามีพฤติกรรมแบบนี้เรารู้ได้ไหมว่าเพื่อนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ ว่าที่เขาเล่าให้ฟังแล้วเรารู้ได้อย่างงี้ใช่ไหมอ่าเรารู้ได้ใช่ไหมใช่อ่านี่แสดงว่าถ้าคนอื่นเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นตัวเราเนี่ยก็จะรู้เขาได้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นเนาะทำไมตัวเราไปรู้เขาได้เพราะว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาอาก็หมายความว่าหัดแยกกันอย่างนี้ว่าตัวเราก็คนคนหนึ่งตัวเขาก็คนคนหนึ่งนะ แล้วเราก็เห็นว่าตัวเขาเนี่ยกำลังคิดโอหวุ่นวายไปหมดเลยนะคิดที่จะทําความเข้าใจอะไรไม่รู้แต่เราเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าเขาอะมีพฤติกรรมอย่างนั้นนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยยมลองมองดูนะว่าในเมื่อตัวเขาก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราเนี่ยไม่ได้คิดหมกมุ่นอย่างเขาจังไหมแต่เขาว่าคิดจังเลยอแต่ดีว่าเราอะรู้จักเขาจึงรู้แจ้งรู้ชัดว่า เขาอะไม่ใช่เราทีนี้เมื่อเขาไม่ใช่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราดีใช่ไหมว่าตัวเราเนี่ยตัวเราคนนี้คนที่รู้เขาเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวเราเมื่อรู้ตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่รู้ตัวเราตรงเนี้ยสภาพธรรมะที่รู้เราเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าสภาพธรรมะที่รู้เราเนี่ยตอนนี้รู้เราเรียบร้อยหมดแล้วว่าว่าเราอะไม่เป็นอย่างเขา เนี่ยแสดงว่ารู้เราเแต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าตามที่โยมเล่าเนี่ยตัวเราคือตัวโยมเองอะเป็นผู้เป็นผู้สแสวงหาเป็นผู้ดิ้นรนแต่ก็ไม่เห็นตัวเราสักทีหนึ่งว่าตัวเราเนี่ยกำลังหาอยู่แล้วก็หาไม่หยุดด้วยหาหาห า, ห า, หาที่จะทาความเข้าใจแต่เราเนี่ยไม่ได้กลับมาเห็นว่าไอ้ตัวที่หาเนี่ยตัวนี้คือตัวเราทีนี้ถ้าเราพบตัวเราว่าเอ้า ไอ้ตัวเราคนนี้หนูมันหาไม่หยุดเลยเนาะทั้งบนทั้งหาทั้งโอยสารพัดเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้เราอ่าแต่ที่ผ่านมาที่ยมเล่าเนี่ยหลวงพ่อดูแล้วมีแต่เราเนี่ยดิ้นรนสวยงาแต่ไม่กลับมารู้เราสักทีหนึ่งอ่าพอพูดอย่างนี้เข้าใจคําว่ารู้เราไหมเข้าใจค่ะอ่าทีนี้เมื่อรู้เราแล้วเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่า การรู้เราตามที่หลวงพ่อแนะนําเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนคล้ายๆว่ามันรังๆอยู่เนาะแต่ว่าพอเข้าใจได้ว่าอ๋การรู้เราเนี่ยคือกลับมารู้ตัวเองเนี่ยใครๆก็รู้จักตัวเองเนาะว่าท่อตัวเองคือไม่ใช่ตัวคนอื่นแต่ทีนี้ระหว่างตัวเรากับตัวรู้เนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่แยกให้ชัดก็เลยยังคล้ายๆกว่ากับว่าเรายังรู้เราอยู่อ่าทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อ ลองลองลองพูดเรื่องเดิมเมื่อกี้นี่แหละแต่ลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงอ่านึกถึงเพื่อนนะสมมติว่ามีเพื่อนเราสักคนหนึ่งเอาเพื่อนที่เรารู้จักกันได้สักคนหนึ่งนะตรงนี้ยยงลองพิจารณาดูนะว่าเพื่อนเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราก็คนคนหนึ่งนะแล้วมีระยะการอยู่เนี่ยหมายความว่าเพื่อนอยู่ตรงนู่นแต่เราอะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมมันมีช่องว่างเนาะมีระหว่างระหว่างเพื่อนกับเราอยู่มันมีช่องว่างจริงๆทีนี้ก็กลายเป็นว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นเพื่อนแล้วตัวเราเป็นผู้เห็นตัวเราเป็นผู้เห็นเพื่อนเนาะทีนี้พอตัวเราเป็นผู้เห็นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้มันมีธรรมชาติอันหนึ่งไงที่มารู้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนเห็นเพื่อน กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันก็พ้นไปจากตัวเราเพราะมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันรู้เราได้อ่าทีเนี้ยอันเนี้ยเหมือนกับว่าฟังให้เข้าใจอ่ะเนาะแต่ถ้าตัวเราเนี่ยพยายามจะไปหาไอ้ตัวรู้เราเนี่ยอย่างเนี้ยกลายเป็นว่าคือถ้าไม่รู้สึกตัวก็คือหลงหลงยังไงคือหลงไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยไปหาไอ้ตัวที่มันมันรู้ตัวเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่กลับมาเลยว่าอ๋อไอตัวเราคือตัวนี้แหละไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไหนส่วนธรรมชาติที่รู้เราอะเราไม่ต้องไปดิ้นโลนหาหรอกแต่ว่าให้เป็นที่เข้าใจด้วยใจว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่นะธรรมชาตินั้นมีอยู่แต่เป็นความมีอยู่ที่ไม่ปรากฏตัวนะไม่ปรากฏกิริยาท่าทางอาการใดๆทั้งสิน้นแล้วธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยเขาก็เป็นใบคือเขาพูดไม่ได้ เพราะว่าถ้าพูดได้มันก็คือตัวเราเป็นผู้พูดใช่ไหมหรือว่าถ้าคิดได้ก็ตัวเราเป็นผู้คิดแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยเขาเขาคิดไม่ได้เขาจึงได้แต่รู้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างเนี้ยก็ลองทดสอบดูก็ได้ว่าเรากําลังคิดอะไรก็คิดไปเลยคิดคิดบวกลบคูณหารคิดหนึ่งสอามสี่ก็อันนี้จะเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยหรือว่าจะนับเลขก็ได้ นับรวดรวนับช้าช้านับเร็วเร็วนับมั่วม่วมันก็รู้เราหมดเลยว่าเราเนี่ยมั่วมากแล้วเราเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไอธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมใดๆเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ตําหนิเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ยุเขาไม่อะไรหมดเลยทีนี้ถ้าฟังเข้าใจแบบเนี้ต่อไปการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นว่าโอ้เมื่อรู้จักตัวเราครั้งเดียว หมายถึงว่ารู้จักแบบนี้ครั้งเดียวนี่นะมันก็สามารถที่จะพัฒนาให้รู้จักตัวเราบ่อยขึ้นเพราะเหตุว่าเมื่อรู้จักตัวเราแล้วใช่ไหมอ่าอย่างสมมติหลวงพ่อเพื่อพูดให้ชัดเนาะเช่นตัวเราเนี่ยอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็มีเราอยู่แค่สองคนเนาะมันก็สามารถที่จะรู้อ่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะรู้เพื่อนแล้วก็รู้เราได้อ่าแล้วก็รู้ช่องว่างได้ด้วยอ่าทีนี้ พอรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเรามีเพื่อนมารวมกลุ่มกันเป็นสิบคนมันก็รู้จักหมดเลยว่าเพื่อนเนี่ยนะก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะกี่คนก็ตามแต่เพื่อนไม่ใช่เราแต่ก็จะรู้จักเราอย่างดีว่าเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อนอ่นะทีนี้มาอยู่ในฝูงชนเยอะๆคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นกี่ล้านก็ตามนะเมื่อรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยก็จะไม่หลงไปไปยึดถือว่าคนอื่นเป็นเรา พราะมันรู้จักตัวเราดีแล้วว่าตัวเราคือคนคนหนึ่งที่มีอยู่ในคนจํานวนหลายๆคนอ่าพอรู้จักตัวเราแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยความชนานาญเนี่ยก็หมายถึงว่ามันก็จะรู้ตัวเราหมดมายว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปเดินจะไปนั่งจะไปมดุดจะไปขึ้นเครื่องบิ น, น, นจะดําน้ำใช่ไหม ม, มันก็รู้เราหมดทีนี้ไอรู้เราตรงนี้แหละมันก็แจ่มชัดขึ้นมาก็เรียกว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่สภาพธรรมะรู้เนี่ย เขาก็รู้แจ้งอยู่นะรู้แจ้งมากเลยคือมันรู้แจ้งยังไง ร, รู้ว่าในโลกนี้มีแต่สิ่งถูกรู้ก็คือตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเพื่อนก็เป็นสิ่งถูกรู้วัตถุสิ่งของทั้งหมดที่เต็มจั ก, กรวาลไปหมดล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, ออเมื่อพบว่าทุกอย่างเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่รู้ไม่ปรากฏอย่างนี้มันจึงแยกได้อย่างชัดเจนว่าโอ้ธรรมชาติรู้นี่เนาะมันอยู่เหนือโลก มันอยู่เหนือความปรุงแต่งอยู่เหนือความเป็นคนเป็นสัตว์อยู่เหนือทุกอย่างก็รวมแล้วคือรู้เนี่ยสภาพธรรมะที่ที่ทหน้าที่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นอะไรทักอย่างเดียวถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นทุกข์เป็นสุขทุกข์ก็เป็นสิ่งถูกรู้สุขก็เป็นสิ่งถูกรู้เฉยๆก็เป็นสิ่งถูกรู้นิ่งๆก็เป็นสิ่งถูกรู้ ไหวๆไวก็เป็นสิ่งถูกรู้คิดมากคิดน้อยก็เป็นสิ่งถูกรู้มีแต่สิ่งถูกรู้ทีนี้พอเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้จักเลยว่าไอ้ปฏิบัติธรรมเพื่อสูงสุดเนี่ยก็คือสู่ความไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้พอหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ก็จะพบแล้วเนี่ยว่าอะไรล่ะที่มันมันพ้นน่ะก็คือธรรมชาติรู้นั่นเองเป็นสภาพที่พ้นไปส่วนอื่นๆก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็คือร่างกายจิตใจเนี่ยยังมีอาการยังเจ็บยังปวดยังร้อนยังหนาวยังหิวเหมือนเดิม แต่ธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันพ้นไปจากสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ทีนี้ไอ้ฟากฟักฝ่ายทุ ก, กันนะก็ต้องยอมรับมันได้ใช่ไหมยอมรับด้วยปัญญาได้ว่าเออเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องประสบกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากใช่มความไม่สมใจตามที่เราปรารถนามันก็เป็นธรรมดาแต่ไอ้ธรรมชาติที่พ้นไปแล้วเนี่ย มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมันรู้แจ้งชัดแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะต้องประสบกับสิ่งพวกนี้แต่สิ่งใดไม่เกิดไม่ต้องประสบอะไรเลยได้แต่รู้แจ้งรู้จริงอยู่อย่างนี้อ่าหลวงพ่อพูดมาถึงขั้นนี้พอแยกเห็นหรือยังว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกโล่ค่ะก็เมืเช้านี้ก็เห็นตามที่หลวงพอ่ออธิบายเลยอะมาเด้วยเห็นมาเองเนี่ยมันเห็นเองอะค่ะก็เห็นว่า ก็เห็นว่าเป็นตัวถูกรู้ซึ่งหนูหนูก็ตะลึงจ้ะค่ะแบบตะลึ ง, ลลงว่าอะเมื่อก่อนมันไม่เคยเห็นแบบนี้ว่าเป็นตัวถูกรู้มันเหมือนกับว่าเราอะติดกับตัวเรามันมันติดกันนะคะเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็ติดอยู่แต่ว่าหนูไปเห็นการสาเหตุที่ทําไมเราต้องรู้จุดนี้อ่ะเราไปเห็นสาเหตุว่าทําไมอ่หลวงพ่อต้องบอกว่าเราต้อง เห็นในจุดที่ว่าเป็นตัวถูกรู้เพราะเราจะได้แยกจิตกับตัวเราออกจากกันเพราะตอนเนี้ยส่วนมากผู้ที่ดูจิตเยอะๆเขาหนูเข้าใจเองนะคะว่าหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่ามันใครเป็นคนรู้มันจะไม่บอกว่าเราอ่ะคะ่ะเมื่อก่อนคือมันจะไม่มีว่าเราเป็นคนรู้อ่ะเพราะเพราะจิตกับเราคืออันเดียวกันอยู่แล้วไงสําหรับหนูไงตอนแรกๆอะค่ะ แต่พอพี่เขาเมื่อหนูได้คุยกับพี่ต่อมเมื่อวานเนี่ยหนูรู้สึกว่าเออมันเป็นมุึงที่เรายังไม่เคยนึกว่าเออเราเป็นคนรู้นี่เรายังไม่เคยคิดอย่างนี้ยคะ่ะเออมันก็มันก็มนกหมายว่าเราเราเราน่าจะลองคิดในแง่นี้ดูเพราะว่าอาจจะเพราะว่าหนูติดกับผู้รู้อยู่เนี่ยรู้อะไรก็รู้รู้รู้รแล้ง่ายต่อเ น, นี่ยค่ะแบบเ อ, อ้มันก็แค่นี้เล่ายังไงต่อเ น, นี่ยค่ะ ก็ก็คิดมานานคิดหาทางออกจนจนหาไม่เจกก็เลิกหาจนมาเจอค่อะพาวหลงพ่อก็บอกเรื่องนีช้ชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้หนูฟังแบบอย่าแงบบละเอียดเลยค่ะจนตอนที่เขาพูดแล้วถ้าอาจารย์พลอยพูดแล้วรู้สึกเข้าใจก็อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ก็เข้าใจอะค่ะ เข้าใจแล้วเมื่อเช้าเห็นตรงตรงนี้จังๆเห็นชัดๆเลยค่ะว่าอ๋อเป็นผู้ถูกรู้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ตอนรู้ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะหนูไม่ได้หันกลับไปมองไอ้ผู้ที่ดูอยู่นะคะเพราะมันมองไม่ได้อะ่ะเหมือนว่าหนูเห็นแต่ผู้ถูกรู้ว่ามันถูกรู้อยู่แต่แต่จะกลับหันไปมองผู้ที่ดูอยู่เนี่ยมัน มันไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปถามตรงนั้นว่าอ้าวแล้วผู้ที่ดูอยู่เนี่ยมันหมายความว่าเป็นวิสังขารที่หนูไม่ได้พิจารณาตรงนั้นเลยอะค่ะหนูแค่เห็นตรงตรงที่ว่าอ๋อใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้แสดงว่าเราตอนนี้เป็นผู้ถูกดูอยู่แค่นี้หนูเห็นแค่นี้เลยอะค่ะ เ, เมื่อกี้ประโยคนี้ดีมากเนาะดีสุดๆเลยสุดยอดเลยที่บอกว่าเห็นแต่สิ่งถูกรู้ตรงเนี้สุดยอดของธรรมเลยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งถูกรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดใช่ไห ม, มเหมือนกับว่าเราเคยได้ยินไหมที่บอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเนี่ยสิ่งถูกรู้เนี่ยจะมีลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ ถัดจากประโยคนี้ก็จะบอกว่านอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยที่เต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่นะมันก็มีแค่สิ่งถูกรู้แต่พ้นไปจากนี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นสิ่งถูกรู้อีกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้เนี่ยไม่อาจจะถูกรู้ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่อาจจะถูกรู้ได้แสดงว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่พ้นไปแล้วจากสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ปรากฏเมื่อเป็นอย่างเนี้ยเราก็เมื่อขับอย่างโยมเข้าใจอย่างนี้แล้วนะโยมอย่าไปหาตัวรู้เด็ดขาดถ้าไปหาไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยยังไงมันก็หาไม่เจอเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันเนี่ยที่อยู่ได้ด้วยความไม่เป็นทุกข์เนี่ย ก็ให้รู้แต่สิ่งถูกรู้เท่านั้นเองโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะให้รู้หมกคือว่ามันปรากฏอยู่ตลอดเวลาให้รู้แล้วก็เพียงแค่รู้แค่เนี้มันก็จะพ้นทุกเพราะเหตุใดก็เพราะว่ารู้มันไม่ทุกแต่ตัวเราคือตัวทุกข์ก็เลยรู้แต่ตัวเรานะอย่าไปหาไอ้ตัวโน้นเด็ดขาดหาไม่เจอก็เพียงแต่รู้ตัวเราเช่นเนี่ยตอนนี้ตัวเรานั่งอยู่ก็รู้นี่ตัวเราพูดอยู่ก็รู้นี่ ัวเรานั่งเงียบๆอยู่ก็รู้นี่ตัวเรานั่งพูดบ่นอยู่ในใจก็รู้นี่เนี่ยแค่รู้แค่นี้แค่นี้แค่นี้นี่คือสุดยอดของธรรมะแล้วนะเพราะว่าเราเรียนกันมาเอาเป็นเราตายแล้วก็ปฏิบัติเอาเป็นเราตายแต่เราไม่เคยพบตัวเราเลยอ่ะเพราะมัวแต่เอาตัวเราไปหามัวตัวมัวแต่เอาตัวเราไปเรียนมัวแต่เอาตัวเราไปฟังม SI ัวแต่เอาตัวเราไปคิดไปค้นไปหามันก็เลยไม่จบ ต่อให้ตัวเราไปรู้อะไรมากมายนะรู้มากมายรู้อย่างแบบพุทธศาสตร์เช่นรู้ใจลักถ้ายังมีตัวเรารู้มากมายมันก็ยังไม่คนทุกข์เพราะยังมีตัวเราอยู่หรือว่าตัวเราจะมีความรู้ในทางทางแบบทางโลกนะจบจบสูงจบด็อกเตอร์ไม่รู้กี่จะด็อกเตอร์รวมถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นักเคมีเป็นนักนั ก, น ก, น ก, นกทั้งหลายถ้าเรายัางเป็นผู้เป็น ก็ไม่อาจจะพ้นทุกได้เพราะยังมีตัวเราแต่ขณะจิตใดปัจจุบันใดที่รู้ตัวเรารู้ด้วยปัญญาว่าไอตัวเรานี่แหละคือตัวทุก์แค่รู้แค่นี้มันก็จะเป็นการพ้นทุกในปัจจุบันที่ขณะที่กำลังรู้นะตรงนี้สุดยอดแล้วนะก็ที่หลวงพ่ออธิบายตามที่โยมตอบมาก็โอเคโยมเริ่มเห็นละเพราะฉะนั้นก็ให้ไปต่อยอดไปต่อยอดก็คือฝึกซ้อม ฝึกซ้อมเริ่มจากจุดที่ได้ยินได้ฟังนะมาเป็นตัวแบบฝึกหัดเมื่อยิ่งได้ยินได้ฟังบ่อยๆตอกย้ำบ่อยๆตรงเนี้ยมันก็ยิ่งแจ้งยิ่งชัดเพราะที่แจ้งที่ชัดเพราะมีผู้กำลังชี้ทางมีผู้บอกทางเราก็เห็นทางได้ง่ายแต่ขณะใดเวลาใดที่ไม่มีผู้ชี้ทางเราก็จะลืมพอลืมเสร็จแล้วตัวเราก็จะไปค้นหาอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใหม่ๆแบบเนี้ยก็ต้องฟังฟังเยอะๆฟังในเรื่องของการรู้ตัวเราเนี่ยมียกตัวอย่างประกอบมากมายแล้วก็มันจะเห็นภาพเห็นตามเห็นภาพเห็นตามจนกระทั่งว่าเห็นตัวเองแบบโหเห็นไปหมดหลวงพ่อชอบพูดมากเลยตัวเองจะเดินจะนั่งจะนอนจะมุดจะเข้าไปนั่งถ่ายจะไปใส่เสื้อผ้าจะไปโกหกจะไปพูดจริงจะไปทําอะไรมันรู้เราหมดเลยเนี่ยมันรู้เรา เพราะนั้นเม like eh ื uh, entonces, ่อเป็นอย่างนี้มันก็พ้นทุกอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติรู้ไม่เคยเป็นอะไรเลยอ่าก็หนูตอนนี้ก็กำลังไม่เข้าใจตัวเองอยู่ค่ะเพราะว่าหลังจากเห็นตรงจุดนั้นรู้สึกมันรู้สึกยังไงมันบอกไม่ถ่วค่ะตอนนี้คือประหลาดใจบ้างเล็กน้อยและเหมือนก็ยิ้มยิ้มนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนมันอาจจะดีใจลึกว่าเออมัน เราสามารถเห็นตนคือคือเราอะหลงเอาจิตเป็นตัวเราตลอดอะค่ะและความรู้สึกที่ว่าเออเห็นตอนนี้เห็นเห็นตรงนั้นคือเมื่อก่อนก็คือฟังแล้วเข้าใจค่ะเออตัวเราเรารู้เราอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นแล้วมันเป็นอีกแบบอ่ะคัะมันรู้สึกเลยว่าอ๋อมันแยกกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งบอกไม่ถูกว่ามันต่างกับเมื่อก่อนมากว่ามันรวมกันกับไม่รวมกัน เหมือนชีวิตเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเมื่อวานอีกอย่างนึ่งเลยอ่ะแล้ววันนี้เหมือนอี ก, อ ก, อกชีวิตหนึง่งไม่ไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันความรู้สึกมันกําลังปแปลี่อยู่อะค่ะหลวงพ่อแนะนำเนาะคือเมื่อเมื่ออย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนาะถ้าสมมุติเข้าใจแล้วก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบันอยา่า อย่าอย่าเดี๋ยวน้จะใช้คําว่าไรู้อยู่กับปัจจุบันก็คือฟังไปด้วยแล้วก็รู้ตัวเราได้ด้วยนะฟังก็คือฟังแต่ขณะที่ฟังเนี่ยมันรู้ตัวเราด้วยว่าตัวเราเป็นผู้ฟังใช่ไหมอาจจะเดินฟังยืนฟังอะไรก็แล้วแต่คือให้รู้ตัวเราแบบทั่วถึงรู้แบบรู้ทั่วพร้อมใช้ภาษาอย่างนี้เดี๋ยวโยงก็จะจะวุ่นอีกเนาะเอาเป็นว่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะกําลังฟังอยู่ก็ให้รู้ตัวเราด้วยว่า กำลังฟังแล้วก็พูดพูดเขาก็พูดของเขาไปแต่ตัวเราเป็นผู้ฟังขณะแบบนี้ทำให้เกิดการเห็นรู้ตัวเราอยู่แต่ว่าถ้าเราลืมตัวนะเราไปเอาเรื่องนู้นมาพูดเอาเรื่องนี้มาเล่าจนลืมตัวอย่างเนี้มันก็จะทำให้เนิ่นช้าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสติระลึกรู้ก็คือรู้ตัวบ่อยๆแต่ไม่ถึงขับนขนาดที่ว่าต้องแบบไม่ให้คือเหมือนกับบังคับให้รู้อย่างนี้ไม่ถูก ก็คือเป็นปกติรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เราเน้นเรื่องของว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยตรงนี้สําคัญเพราะว่าบางทีมันไม่รู้ตัวเราใช่ไหมตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ได้แต่พออยู่ๆก็นึกขึ้นได้อีกว่าอ้าวตัวเรานั่งฟังอยู่นี่อ่ะก็ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้หรือฟังไปฟังมาโ อ, โอไม่เข้าใจเลยมีเขาพูดอะไรกันเนี่ยก็จะพบว่าอ้าวตัวเราเป็นผู้ไม่เข้าใจอีกแล้วก็รู้ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เรื่อยไปนะ แค่นี้มันก็จะพัฒนาเร็วแล้วก็แต่ก็หลวงพ่อก็อย่างว่าอีกเนาะเพราะว่าการที่จะพัฒนาเร็วเนี่ยคือต้องได้ฝึกฝนมาเขาเรียกว่ามีความเพียรเนานะฝึกฝนบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งยิ่งชำนาญแต่ถ้าถ้าเราฝึกน้อยเช่นขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วแต่พอเลิกฟังปับ๊บโอ้โหทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยไม่สนใจเลยอย่างนี้เดินช้าแน่นอนเพราะว่าสติความรู้สึกตัวมันมันไม่ต่อเนื่อง ตอนนั้นเนี่ยก็กติดจดจอเลยคือรู้อยู่กับตัวเองการงานทําก็ทําไปเป็นปกติแต่รู้ตัวพร้อมๆเงินไปด้วยอย่างเงี้ยอืมสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยเราได้เลยอ่ะถึงหลวงพ่อจะพูดดีแค่ไหนหรือพูดยังไงหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้ต่อให้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดโอ้ทำมากขั้นสูงสุดหลุดพ้นแต่ถ้าเราไม่ทําความเพียร น, นะมันก็ท่านก็ช่วยเราไม่ได้ เพราะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นเป็นเาเรียกว่าทำเอาเองทาเอาเองนะแต่ที่สำคัญคือฟังให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปไปไปไปต่อยอดเออไปต่อยอดไปพัฒนาเอาเองอย่างเงี้ยก็หนูอยางบอกว่าหนูอสัตอนตอนเช้ามันมีอีกตัวหนึงที่ที่ที่มีการสังเกตขึ้นมาเองอะว่าพอเราเห็นตัวที่ถูกรู้แต่ ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถกลับไปเห็นตัวที่ดูที่รู้ว่ารู้ที่กาลังรู้ว่าเราเห็นตัวที่ถูกรู้อยู่เนี่ยคือเราเราไม่สามารถกลับไปดูไอ้ตัวนั้นได้คือเราก็เข้าใจว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่จะเห็นตัวตัวที่ดูอยู่แต่สามารถตัวนั้ น, น, นอะสามารถดูตัวรู้อยู่ได้แต่ตัวรู้ไปดูกลับไปดูไม่ได้นี้เราก็เห็นด้วยอะคะ่ะ เ, เดี๋ยวหลวงพ่ให้คาแนะน า, นาเพิ่มเติมเนาะสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วทั้งที่ทำได้ทั้งที่ทำไม่ได้ทั้งที่รู้ได้หรือรู้ไม่ได้อันนั้นเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าต้องอัปเดตอัปเดตคือรู้ตัวเดี๋ยวนี้รู้ตัวเดี๋ยวนี้ที่เป็นปัจจุบันว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้นั่งฟงังเป็นผู้พูดเป็นผู้คิด ให้เป็นปัจจุบันตรงนี้นี่คือจุดสำคัญไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่อัปเดตตัวเองเนาะมันก็จะเอาของเก่ามามาใช้งานอยู่เรื่อยเลยทิ้งให้หมดเลยทิ้งให้หมดเลยนะโอเคไหมอะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแจ้งแล้วค่ะ <laughs> สาธุเนานะ